ولكُم نصُ ما تركَ أ ز و ا ج ك ُ م إلَّا م ي كُلّهُنَّ ولدٌ فإن كانَ لهُنَّ ولدٌ فلَكُم ا ل ر ّ ب ع ُ مِمَّا تركن مِن بعد و ص ي َّ ي ِ و ص َِ بِهَا أودي ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ف ل ه ن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورثُ ا ك َ ل َ ا ل َ ة َ أَوْ م ْ ر َ أ َ ة ٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ا ل س ُّ د ُ س ُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 พวกเจ้าก็จะได้รับหนึ่งในสี่จากที่พวกนางได้ทิ้งไว้ทั้งนี้หลังจากพินกรรมที่พวกนางได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากหนี้สินและสำหรับพวกนางนั้นจะได้รับหนึ่งในสี่จากสิ่งที่พวกเจ้าได้ทิ้งไว้หากไม่ปรากฏว่าพวกเจ้ามีบุรแต่ถ้าพวกเจ้ามีบุรพวกนางก็จะได้รับหนึ่งใน8ปดจากสิ่งที่พวกเจ้าทิ้งไว้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 พวกเขาก็จะเป็นผู้รับร่วมกันหนึ่งในสามท้งนี้หลังจากที่พินกรรมที่ถูกสั่งเสียไว้หรือหลังจากนี่สินโดยมินำมาซึ่งผลร้ายใดๆเป็นคำสั่งที่มาจากอาลัลลอ์และอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงหนักแน่นิลกดดู ว่าไงยูติลล่ารัสูล خ ยูดัชล ت ฮ์จันนต์ทเจริมิลใต้ห์ฮ์แอล ن ันَา ا ์จันนตِทเจริมิลใต ه ห ا ฮ์แอลอ ا นฮาร์ข้าลิดีนฟีฮ์วะดั ل ลิَ์ฟอวซุลลาอِ ي ิม ال ลาวนั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์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 َاللَّاتِ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِنَّ الْبُّيُوتِ يَأْتِينَ فَاسْتَشْهِدُوا أَرْبَعْتَ حَتَّى ت عليه فِي ي مِنْ نِسَائِكُمْ فَإِنْ فَأَمْسِكُوهُنَّ شَهِدُوا مِنْكُمْ و บรรดาผู้ที่กระทำสิ่งลามกจากในหมู่สตรีพวกเจ้านั้น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 ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษแก่พวกเขาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาติ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 ترث النساء َ ك ر ه ا ت ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن و بالمعروف فإن كرهتمهن و โอพุสถาทั้งหลายไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับและไม่อนุมัติเช่นเดียวกัน กับการที่พวกเจ้าจะขัดขวางนางเพื่อพวกเจ้าจเจ้าบางส่วนของสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางนอกจากว่าพวกนางจะกระทาสิ่งหลามงอันชัดแจ้งเท่านั้นและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีเถิดหากพวกเจ้าเกลียดพวกนางก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้สิ่งนั้น มีความดีอันมากมาย وإن أردت مستبدال زوج ما كان زوج و آ ت ي ت م إحداهن ن ق ن طار فلأ َ أ ت ي ت م إحداهن ق طار فلأ تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ب ه ت َ ا ن ا, آ, إ, ا, آ, إ, ا, أ وإثم مبين และถ้าหาพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่งแทนคู่ครองอีกคนหนึ่งและพวกเจ้าให้แกนางหนึ่งในหมู่พวกนางนั้นซึ่งทรัพย์อันมากมายก็ตามก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพย์นั้นคือ่อพวกเจ้าจะเอามันคืนด้วยการอุปโลกความเท็จและกระทำบาป อันชัดเจนขนาดนี้นแล้วพวกเจ้าเจ้ามันคืนได้อย่างไรทั้งๆที่บางคนในหมู่ของพวกเจ้าได้แนบกายกับอีกบางคนแล้วและพวกนามก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วด้วย س س และจงอย่าแต่งงานกับบรรดาหญิงที่บิดาของเจ้าได้แต่งงานกับนางมาแล้ว นอกจากที่ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งหลามุกและน่าเกลียดยิ่งและเป็นวิถีทางที่ชั่วทาามมมวททา่อ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ ا ل أ ُ خ ْ ت ِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من, الرضاعة وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ من ن س ا ئ ك م التي دخلت ب ه م فإن لم تكونوا دخلت م بهن، فلاجناح عليكم وحلاء ل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن وأن تجمع و ا بين الأختين إلا ما قد سلف.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 وأُحِلَّ ل َ ك ُ م مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر َ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ ف َ آ ت ُ و ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة และบรรดาหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีนอกจากที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเป็นบัญญัติของอัลลอที่มีแก่พวกเจ้าและได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าที่นอกเหนือจากนั้น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 ในสิ่งที่พวกเจ้าต่างยินยอมกันในสิ่งนั้นหลังจากที่ได้กำหนดมาแล้วแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาْิว่ามนุษย์ไมَ ن ْมารถมีคุณทْ่วไปเยี่ยนคิหْ م องผู้ศรัทِาَด้แตَ่ากที่มรดกความเชื่อของพวกคุณม ت ฟตียาติข م ُผู้ศรัทธِ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، ف ا ن ك ح و ه ن بإذن أهلهن و أ ت و ه ن أجرهن و بالمعروف، بالمعروف م ح ص ن ا ت غير مسافحات ولا م ت خ ذ ا ت أ خ د ا ن فإذا أ ح َ ن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبر و ا خير لكم والله غفور رحيم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 Allah ส่งประสงค์ที่จะผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าแต่มนุษย์นั้นถูกบังคับเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอยา أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอยากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมีชอบ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 และถ้าผู้ใดกระทําเช่นนั้นโดยละเมิดและอาจทำแล้วเราก็จะให้เขาเข้านรกและนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับ Allah หากพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ๆ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 สำหรับผู้ชายนั้นมีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายไว้และสำหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกนางได้ขนขวายไว้และพวกเจ้าจงขอต่ออลัลลอฮ์จากความกรุณาของพระงองค์เถิดแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งววววลลลกกกอันาามมรบ และสำหรับแต่ละคนนั้นเราได้มีผู้รับมรดกจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้และบรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าได้ตกลงไวนั้น ก็จงให้แก่พวกเขาซึ่งส่วนได้ของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง فالصالحات قالتان حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن ف ع ُ و ن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 ก็จงส่งผู้ตัดสินคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายชายและผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายหญิงหากทั้งสองปราถนาให้มีการประนีประนอมกันแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความสาเร็จในระหว่างทั้งสองถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเชี่ยวชาญ وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبد ا ل ق ر ب ى واليتامى والمساكين والجار ل ل ق ر ب ى والجار الجنوب والصاحب بالجب والصاحب بالجب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم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 แล้วเราได้นําเจ้ามาเป็นพยาญต่อชนเหล่านี้ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเศษสัทธาและดื่นดึงต่อราซูลหากว่าพันดินถูกให้ทับถมพวกเขาจนราบเรียบ พวกเขาไม่อาจจะปิดบังคำพูดใดๆแก้อลลอได้